วันหนึ่งเนี่ยเดินกลับบ้านยามค่ำคืนกลางทางก็ไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังมองหาอะไรสักอย่างบนพื้นเดินวนไป ร, บรอบๆบริเวณที่มีแสงไฟจากโคมไฟข้างถนนคุณลุงแกเลยถามว่าเนี่ยถามชายหนุ่มว่าทำอะไรชายหนุ่มก็บอกว่ากำลังหากุญแจทำกุญแจตก ลุงแกก็เลยช่วยชายหนุม่มในหาแต่ว่าหาเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็เลยถามชายหนุม่มว่าเนี่ยจําได้ไหมว่าทํากุญแจตกตรงไหนชายหนุม่มบอกว่าเนี่ยทําตกตรงสนามหญ้าเนี่ยแล้วชี้ไปเนี่ยที่สนามหญ้าไม่ไกลนะลุงแกก็ถามเอา้าทํากุญแจตกตรงนั้นทําไมไปหาตรงนั้นล่ะ ท้ไมไปหาที่สนามหญ้าอาจหนึ่มก็บอกว่าอี่าหาตรงนี้ดีแล้วเพราะว่ามันสว่างดีมันสว่างดีก็จริงนะแต่ว่ามันจะหาเจอได้ไงนะในเมื่อกุญแจตกอีกที่หนึ่งแต่บังเอิญน่สนามหญ้านี่มันมืดหาลำบากไอ้ตรงข้างถนนนี่มันสว่าง หาง่ายกว่ามันสว่างก็จริงนะแต่หาไงก็ไม่เจอหรอกเพราะว่ากุญแจไม่ได้ตกตรงนั้นกุญแจตกตรงไหนก็ต้องไปหาตรงนั้นสิถึงแม้ว่ามันจะมืดนะหายากนะเพราะหาตรงนั้นอะถึงจะเจอเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะที่มันเป็นอุปมาอุปไมยได้ดีเลย หลายคนเนี่ยเวลามีปัญหาอย่างเช่น่ะมีปัญหาขัดแย้งกันในครอบครัวในบ้านแต่ก็แก้ปัญหาด้วยการมาวัดแก้ปัญหาด้วยการมาวัดปัญหาอยู่ที่ไหนอ่ะัหาอยู่ที่บ้านก็ต้องไปแก้กันที่บ้านไม่ใช่มาวัด ถ้าจะมาก็เพื่ อ, อพักผ่อนนะให้ใคลายเครียดหรือเพื่อจะได้มารู้จักวิธีการวางจิตวางใจเพื่อได้กลับไปบ้านแล้วก็วางจิตวางใจใถูกต้องรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เช่นอาไจเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นอ่ะก็ะควบคุมวาจาให้มากขึ้นหรือว่ารำคาญหูรำคาญตาคนในบ้านก็ก็มีความยับยั้งชั่งใจสักหน่อยมีความอดทนมีขันติซึ่งกับ เ, เรื่องการฝึกจิตหรือถ้าเกิดรู้สึกว่า ให้เรามันชอบว่าชอบเวอร์ไว อ, อดกลั้นไม่ค่อยได้นะก็มาวัดมาฝึกสติอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่นะแต่หลายคนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะปัญหาอยู่ที่บ้านนะแต่ว่ามาวัดเพราะคิดว่ามาวัดแล้วปัญหาจะหมดไป ปัหาอยู่ที่บ้านก็ต้องแก้ที่บ้านอาจจะมาวัดนะก็เพื่อมาตั้งหลักนะหรือมาฝึกสติในง่นมันก็ไม่ตายางจช้หนุ่มนะที่หากุญแจริมถนนเพียงเพราะว่ามันสว่างท่านั้นที่กุญแจมันตกอยู่ที่สนามหญ้า แต่หายากนะเพราะมันมืดปัญหากับวิธีแก้ปัญหานี่มันต้องสอดคล้องกันถ้าเราเลือกวิธีการที่มันสบายสะดวกแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องกับปัญหามันก็แก้ไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกับคนที่เขา มีปัญหาร้านอาหารไม่ค่อยมีลูกค้าไม่มีลูกค้าทำงานนะก็ไปให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์บางคนก็ใช้วิธีนี้นะให้หลวงพ่อพรมน้ำมนต์ทั้งที่การที่ ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอาหารไม่อร่อยนะหรือว่าผู้จ่าไม่มีน้ำถ้ า, าว่าทำอาหารให้มันอร่อยนะ้วก็ใส่ใจลูกค้าลูกค้าก็จะเข้าร้านเอง แต่หลายคนพบว่าการแบบนี้มันยากมันยากสู้ไปให้หลวงพ่อพรมก็นไม่ได้มันง่ายทางออกนี่มันง่ายแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางแก้หลายคนเนี่ยมักจะนึกถึงวิธีหรือทางออกที่มันสะดวกแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเลย ก็มันก็ใช้หน่งเนี่ยที่มาหากุญแจริมถนนเพราะว่ามันสว่างสะดวกนแต่ว่าหาไงก็ไม่เจอจนกว่าจะไปหาที่สนามหญ้าเจ้าของร้านเนี่ยแม้จะให้พระพรมน้ำมนต์ยังไงแต่ตัดไดที่ไม่ปรับปรุงอาหารไม่ปรับปรุงบริการ ก็ไม่มีลูกค้าแต่คนก็ไม่ค่อยอยากทำแบบนี้เพราะมันยากสู้ไปให้หลวงพ่อพรหมโนมันไม่ได้มันง่ายมันง่ายแล้วมันแก้ปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวนี้คนก็เป็นแบบนี้เยอะนะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนักศึกษาในเอเมริกา 90% ใน รู้สึกว่าอาจารย์สอนยากแล้วทำให้เกรดเนี่ยมันได้น้อยได้คะแนนน้อยทำยังไงนะจะให้เกรดมันดีขึ้นทำยงไงจะคะแนนเนี่ยจะได้สูงขึ้นก็ควรจะขยันใส่ใจในการเรียน คนคว้าให้มากขึ้นแต่ว่านักษาจุลนากษเนี่ยพบว่าแบบนี้มันยากสู้ไปใช้วิธีอื่นที่ง่ายกว่าดีกว่าคืออะไรคือไปเรียกร้องให้หมาเชือร้ายเนี่ยหว่านล้อมกดดันให้อาจารย์เนี่ยปล่อยเกรงง่ายๆหน่อยให้เกรงง่ายๆหน่อย หรือว่าถ้าจะไม่ยอมก็ไล่ออกไปเลยถามว่านี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือเปล่ามันไม่ใช่เป็นการวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะตัวเองทาเกรดไม่ดีก็ต้องขยันเลยแต่ไปเรียกร้องให้อาจารย์นะให้เกรดง่ายขึ้นหรือว่าสอนให้ง่ายขึ้นนี่เป็นวิธีแก้นะของ นักศึกษาจำนวนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันสะท้อนทัศนคตินะของผู้คนจำนวนมากนะไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวเราก็มไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาอย่างเดียวนะแต่มันเป็นกันทั่วไปนะผู้ใหญ่ก็เป็นก็คือว่าปัญหานี้มันต้องไปแก้ที่คนอื่น ้องไปจัดการกับคนอื่นเพราะาอะไรเพราะมันง่ายกว่าทำชื่อร้องเรียนนะไปถึงฝ่ายบริหารว่าอาจารย์คนนี้สอนยากให้เกรดยากเราต้องบังคับกดดันหว่านล้อมให้อาจารย์สอนง่ายกว่านี้ให้เกรดง่ายกว่านี้หรือไม่นั้นก็ไล่ออกไปเลยนะ วิธีที่มันง่ายแต่การที่จะปรับปรุงตัวเองขยันเรียนให้มากขึ้นค้นคว้าให้หนักขึ้นมันยากเหมือนกับไปหากุญแจในสนามหญ้าที่มันมืดนะสู้หาวิธีที่มันง่ายๆสะดวกดีกว่าแต่มันแก้ปัญหาจริงหรือเปล่า คนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็เพรไปคิดว่าสาเหตุเนี่ยมันอยู่ที่ข้างนอกก็เลยปัิจจการกับสิ่งที่อยู่นอกตัวสาเหตุของปัญหาอยู่ที่อาจารย์นะไม่เช่ว่าตัวเองเกียจคร้านไม่ใส่ใจเรียนไม่ขยันเรียน ม, มันง่ายนะที่คนเรานี่จะมองไปนอกตัว ว่าเป็นปัญหาแล้วก็ใช้วิธีไปเปลี่ยนแปลงจัดการกับสิ่งนอกตัวมากกว่าที่จะจัดการหรือเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องร้านอาหารไม่มีคนเข้าไม่มีลูกค้าหรือว่าเรียนแล้วได้คะแนนไม่ดี ได้เกรดนะได้ต่ำกว่าที่ตั้งใจซึ่งเป็นเรื่องทางโลกนะเป็นเรื่อง เ, อเป็นเรื่องที่จับต้องได้ปัญหาหะาอย่างที่เป็นปัญหาชีวิตเนี่ยคนก็หาทางออกผิดพลาดเพราะว่าหนึ่งเนี่ย ชอบวิธีการที่สบายและ2เนี่ยเป็นเพราะว่ามองหาสาเหตุเนี่ยผิดพลาดคือไปมองว่าสาเหตุเนี่ยมันอยู่นอกตัวทั้งที่ถ้าพิจรารณาไข่ควรเนี่ยสายเหตุมันก็อยู่ที่ตัวเองนั่นแหละ อันนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4อะไรทีเดียวนะอริยสัจ4ชนว่าทุก์เมื่อรู้ทุกแล้วต้องหาสมุทัยให้เจอแล้วจึงจะเห็นมักแล้วใช้มักในการแก้ปัญหาจนเกิดนิโรธ อริสารีมันเป็นหลักธรรมที่สำคัญของชาวพุทธนะครึ่งเรารู้จักกันดีแต่ว่าเราไม่ค่อยใส่ใจจริงจังโดยเพราะเวลามีทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยใคร่ควรวญเท่าไหร่นะว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์พอมีปัญหาเราก็มักจะมองไปที่นอกตัว เมื่อเรามองสมุทัยผิดในการที่จะแก้ปัญหาโดยมักเนี่ยมันก็ผิดไปด้วยคงคล้ายๆกับถ้าติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดเนี่ยนะมันก็เม็ดที่2เม็ดที่3ก็ผิดตามไปด้วยอาการเข้าใจเนี่ยเหตุแห่งทุกข์นี่มันหรือสาเหตุแห่งปัญหาที่มันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะ ในการที่เราจะแก้ทุกข์หรือว่าแก้ปัญหาให้หมดไปเกิดภาวะที่เรียว่านิโรธและเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ใคร้ครวนไตรตรองมองตัวเท่าไหร่บ่อยครั้งปัญหาที่มันมีสาเหตุมาจากตัวเราหรือจากใจของเราเนี่ยมันก็เลยถูกมองข้ามไปเดี๋ยวนี้ตาม ป่าที่ใกล้ชุมชนหลายแห่งเนี่ยมันมักจะมีฝูงลิงนะที่วัดป่ามหาวันก็มีฝูงลิงดีงนี้หลายแห่งหลายที่ก็มีฝูงลิงแล้วบางทีคนก็ลาคาญนะลิงที่มาเกาะกวนก็อยากจะแกล้งลิงนะวิธีแกล้งนี้ก็ไม่ยากหรอก โยนข้าวเหนียวเข้าไปให้มันแล้วข้าวเหนียวเนี่ยยัดไส้ด้วยกระปินะให้ดึงมันไม่รู้นะมันคว้าข้าวเหนียวเสร็จมันก็เคี้ยวเลยพอเจอกระปินะมันก็ตกใจแต่ตอนนั้นก็สายไปแล้วเพราะว่ามือมันเนี่ยก็มีกระปิเบื้อนเวลามันมีกระปิเบื้อนมือเนี่ยนะหรือติดนิ้วเนี่ยมันทำยังไงนะ มันก็หาทางพยายามกําจัดกระปิกําจัดยังไงนะมันก็เอามือเนี่ยหรือเอานิ้วที่มีกระปิติดที่เปื้นกระปิเนี่ยถูถูกับต้นไม้เปลือกไม้ถูกับหินถูเสร็จก็มาดมก็ยังมีกิ่งกระปิอยมมู่ก็ถูถูจนกระทั่งบางทีเนี่ยผลอกเลยนะเลือดไหลเลยมีเลือดไหลซิบๆเลย ถ้ากระปียังไม่กิ่นกระปกยก็ไม่หายมันก็จะถูไปเรื่อยๆเนี่ยจนเป็นแผลเลยนะที่มือหรือที่นิ้วเนี่ยโหน่าสงสารนะสาหรับลิงบางตัวที่มันที่มันถูจนเลือดไหลเป็นแผลที่มือที่นิ้วเนี่ยคถามคือว่าเนี่ยที่ลิงเนี่ยมีแผลเลือดไหลเนี่ยเป็นเพราะอะไรหลายคนจะบอกเป็นเพราะกระปีที่จริงไม่ใช่นะ เป็นเพราะความเกล็ดกระปีต่างหากกระปีเนี่ยมันไม่ทําให้ลิงเนี่ยเลือดไหลนะแต่ความเกลียดกระปีเนี่ยมันทําให้ลิงเนี่ยทนไม่ได้จะ ต, ต้องถูเอามือเอานิ้วถู ก, กับหินถู ก, กับเปลือกไม้ถ้ามองว่ากระปีคือปัญหานะอันนั้นเนี่ยเรียกว่ามองสมุทัยผิดละสมุทไทเนี่ยเหตุแห่ง การเกิดแผลนะตามนิ้วมือของลิงเนี่ยมันคือความเกียกกลปิแล้วความเกียดกลั่มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจาครงความทุกข์ของผู้คนเนี่ยหรือ ว, ว่าความทุกข์ใจเนี่ยคนมาเคลียรเป็นเพราะสิ่งภายนอกเป็นเพราะเสียงดัง เปนพราะการกระทและกาพูดของคนนั่นคนนี้เป็นเพราะดินฟ้าอากาศพอคิดแบบนี้เขาก็เลยไปจัดการกับสิ่งนอกตัวแต่ทำยังานมันก็ไม่แก้ปัญหา <Yeah. S 1> เพราะว่าตราบใดที่ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยหรือสาเหตุเนี่ยมันอยู่ที่ใจหรือว่า อุปมาหนึ่งที่ชัดเจนนะคือเนี่ยมีหมาขี้เลื่อนตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นนอนตรงไหนมันก็คันนอนที่ทุ่งหญ้าก็คันเกานอนใต้ต้นไม้ก็คันเกาแล้วเกาอีกไปนอนใต้ถุนศาลามันก็คันนะ แ้วเราคิดว่าเนี่ยเป็นเพราะสนามหญ้าเป็นเพราะทุ่งหญ้าเป็นเพราะคนไม้เป็นเพราะได้ทุนสาลาเนี่ยทำให้มันคันมันก็เลยเปลี่ยนที่นะอาจจะไปอยู่ตามกุฏิของพระหรือตามบ้านของผู้คนและคิดว่ามันจะหายคัน แต่แมว่ามันจะไปที่ไหนมันก็ยังคันอยู่นั่นแหละแต่มก็ยังคิดว่าเนี่ยเป็นพ่อสถานที่มันก็เลยเปลี่ยนที่ไปเรื่อยอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันไม่ตระหนักว่าหรือมันไม่เฉลียวใจว่าเป็นเพราะผิวหนังของมันเป็นขี้เรื้อนมีแผลเพราะฉนั้นแม่ว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็ยังคันอยู่นั่นแหละ อันนี้เราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะเพราะว่าไม่รู้ว่าสมุทัยเนี่ยหรือเหตุงปัญหานี่คืออะไรแล้วคนร้อนเท่าหาก ว, าว่าวางใจไม่ถูกเนี่ยไม่ว่าเจออะไรมันก็ทุกได้ง่ายนะเจอเสียงดังก็หงุดหงิดลำคัญใจไปโทษเสียงว่าเนี่ย มันทําให้เราทุกข์ทำให้เราหงุดหงิดมีเรื่องเราว่าเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยเมื่อสัก40่สปีก่อนเนี่ยท่านได้รับมิลอนให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศเอังกฤษก็มีลูกศิษย์ที่เป็นพระฝรั่งไปด้วยนะหลวงพ่อสุเมโทตอนนั้นยังเป็นพระหนุม่มก็ไปด้วยกับคณะของหลวงพ่อชาตอนนั้นยังไม่มีวัดอมรวดีวัด ปาจิต ว, วิเวกเจ้าพาวิญญอณฝรั่งเนี่ยเขาก็นิมนต์ให้หนุบประชาคณะเนี่ยพักที่วิหารกลางกรุงลอนดอนเบืองละแวกนั้นเนี่ยนะมันก็มีผับมีบาร์กลางคืนเนี่ยก็มีการร้องนำทำเพลงสมัยนั้นเนี่ยดิสโก้นี่ก็เริ่มเริ่มดังแล้ว การข้างบังคือก็มีเสียงดังดังมาถึงห้องโถงนะที่หลวงพ่อเนี่ยพาพระระ ย, ะยมเนี่ยนั่งสมาธิพระร ย, ยมหลายรูปเนะี่ยนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยนะเพราะเสียงดนตรีจากผับที่อยู่ใกล้ๆกต่ลหลวงพ่อชายท่านนั่งสมาธิอย่างสงบเหมือนกับ ไม่ได้ยินอะไรเลยพอนั่งสมาธิเสร็จนะั้นเจ้าภาพเนี่ยก็มาหาท่านมาขอโทษขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่าชาต่านก็ได้ยินกันก็ยิ้มนะท่า น, นก็บอกว่าโยมเนี่ยไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรี เราฟังเรื่น้เข้าใจไหมเสียงดนตรีไมไ่รบกวนเราแต่เราไปรบกวนเสียงดนตรีหมายความว่าใจของเราเนี่ยไปทะเลาะกับเสียงเสียงมันก็สักว่าเป็นเสียงนมากระทบหูแต่ถ้าใจไม่ไปทะเลาะกับเสียงเนี่ยมันก็ไม่หงุดหงิดไม่รําคาญไม่ว้าวุ่นคนจะไปคิดว่าหลวงพ่อชาตทั้งการอยาเตือนว่าเนี่ยอย่าไปคิดว่าเสียงเนี่ยมันมาทําให้เราทุกข์นะ อะที่เราทุกข์ที่เราหงุดหงิดเนี่ยเป็นเพราะใจเราเนี่ยไปทะเลาะกับเสียงใจเราไปมีความรู้สึกลบกับเสียงนั้นองค์พระชาก็บอกว่าสมุทัยเนี่ยนะหรือว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราวางใจผิดแต่ควรไปคิดว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยอยู่ที่เสียงจากผับและบาร์เ่านั้นน้นพอเรามองสมุทัยผิดเนี่ยนะไอ้การแก้ปัญหาก็ผิดไปด้วย แล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาแก้ไม่ได้เลยแต่ธรรมชาตินคนเราเนี่ยก็มักจะไปแก้ที่ข้างนอกไปจาัด ก, การกับสิ่งภายนอกเช่นไปจาัด ก, การกับต้นเสียงเพราะอะไรเพราะมันแก้ได้ง่ายกว่าในความรู้สึกของเราแก้คนอื่นเนี่ยมันแก้ได้ง่ายหรือเราเชื่อมันแก้ได้ง่ายกว่าแก้ตัวเราเอง ก็เหมือนกับไปหากุญแจตรงที่ที่มันมีไฟสองสว่างข้างถนนแทนที่จะไปหากุญแจตามสนามหญ้าแต่จะไปหาทำไมมันมืดนะมันหายากไปหากุญแจริมถนนที่ว่ามันสว่างดีแต่มันไม่แก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะเพื่อคือมันหากุญแจไม่เจอ การไปจัดการกับสิ่งภายนอกเนี่ยมันชาวไร้คนมันจะเป็นเรื่องง่ายกว่าเพราะว่าเราถนัดกับการไปจัดการกับสิ่งภายนอกขณะที่การแก้ปัญหาที่ใจเรามันยากเพราะส่วนหนึ่งเราไม่ค่อยอยากยอมรับนะว่าใจเราเป็นเหตุแห่งปัญหาธรรมชาตินาคนเราก็มักจะโทษสิ่งภายนอก อย่างที่หลวงพ่อชาท่านผู้อยู่เสมอด้วยเนี่ยยกตัวอย่างเวลาเอามือล่วงเข้าไปในหลุมเนี่ยถ้าว่าล่วงไม่ถึงก้นหลุมเนี่ยร้อยท้องร้อยก็จะบอกว่าเป็นเพราะหลุมมันลึกไม่มีใครบอกว่าเป็นเพราะแขนมันสั้นอัตตาตัวตนเนี่ยหรือมานะเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะยอมรับนะว่าเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเรา มันง่ายที่จะไปโทษสิ่งภายนอกแล้วจากนั้นก็เลยไปแก้ที่สิ่งภายนอกแต่สุดท้ายมันก็แก้ไม่ได้เหมือนก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็ยังไม่มีความสงบสุขเหมือนกับหมาขี้เรื้อนที่มันเปลี่ยนที่นอนมันเปลี่ยนไป ที่นั่นที่นี่มันก็ยังไม่หายคันและมันก็ยังคิดว่าเป็นเพราะสถานที่นะแต่มันไม่ใช่แล้วจ้าเป็นเพราะตัวมันนั้นะมีแผลเพราะขี้เรือ น, นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอนใจเรานะว่าซึ่งการที่คนเราเนี่ยจะหันมาเห็นเหตุแห่งทุกข์อยู่สมุทรไทยเนี่ยมันก็ต้องหมั่นมองตัวอยู่เสมออย่ามัวแต่ส่งจิตออกนอก ดูร่ำไปกลับมาดูใจของเรากลับมามองตนในเรื่องการหาสมุทัยที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะที่ชาวพุทธเรามักจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เราก็รู้นะว่าทุกมันเกิดจากสมุทยัยแต่พอหาสมุทัยทีไรเนี่ยมันมันหาไม่เจอหรือว่ามันหาผิด เรื่อเกิดการแก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดตัวการหมั่นมองตนอยู่เสมอเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเจอสมุทรไทยหรือเหตุแห่งทุกข์ที่แท้ จ, จริงเดี๋ยวเพราะเมื่อมันมีความทุกข์ใจขึ้นมามนเป็นความเศร้าความโกรธความหงุดหงิดความเบื่อหน่ายความคับแค้นต่อมาดูใจของเราอยู่เสมอ แล้วก็แก้ที่ใจของเรามันก็จะช่วยทำให้ทุกเนี่ยบรรเทาเบาบ า, บา